บทที่19ความเปลี่ยนแปลงลานดาวลดฟลุดลงพลังกายพลังใจคืนเข้าที่บุคลิกต่างไปทันทีในตาทอแสงรูคิดเจิดจรัสสยายยิ้มให้มาวันทาเหมือนดอกไม้ผลิบานมีความคมคายเยี่ยงผู้สูงด้วยปฏิพานเป็นหญิงสาวเต็มตัวคนละคนกันกับเด็กสมองนี่เมื่อครู่อย่างสิ้นเชิงและเพราะเห็นเช่นนั้นมีหรือมาวันทาจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหล่อนเลิกคิ้วสูงใช้ประกายตาแทนเครื่องหมายคาถามว่า เธอคือน้องคนเดิมของฉันใช่ไหมลานดาวใช้รอยยิ้มและการเข้าสวมกอดแทนคำตอบปิดเปลือกตาลงซึมซับคุณค่าของสัมผัสแห่งรักที่ประจุเต็มอยู่ด้วยความทรงจำอัน ง, งดงามเรือนกายแนบนิ่งกับไออุ่นของกันและการสื่อใจโสมนัสเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆขอบคุณที่เอาตัวจ้ากลับมาจนได้นะคะพี่เอิญลานดาวกระซิบบอกทั้งตาหลับมาวันทานิ่งอั้นเป็นครูก่อนตบหลังน้องสาวเบาๆขอบใจเช่นกันที่พยายามกลับมา เนิ่นนานจนเอื้บสายทานแห่งความยินดีเพียงพอมาวันทาจึงคลายอ้อมกอดเธอต้องขอบคุณพี่แตรมากๆนะถ้าเขาไม่รับตัวเธอไว้ตอนหมดสติเกิดลม้มลงหัวฟาดพื้นแล้วก็อะไรอะไรอาจแยก่กว่านี้ลานดาววาดใบหน้าไปยังชายหนุ่มซึ่งบัดนี้ยืนยิ้มละไมยอยู่ทางเยื้องซ้ายในตาของยิงสาวส่องแสงรู้คุณก่อนจะวางฟลุตลงบนโต๊ะกลางเพื่อกระพุ่มมือไหว้ขอบพระคุณค่ะพี่แตร์สำหรับความช่วยเหลือและความใจดีของพี่รัศมีตาอันฉายมาจากความสำนึก ของผู้มีความกะตันยูกะตะเวทีนั้นชวนพิสเสมออมริตรับไหวพลางสารตาด้วยความสนิทใจไม่เป็นไรเลยใครอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำแบบพี่กันทุกคนมาวันทาอมยิ้มเหลือบมองสองหนุ่มสาวแล้วแกล้งใช้สองมือประคองหน้าลานดาวให้หันกลับมาหาตนไทยถามทั้งยังประกบมืออยู่กับแก้มอีกฝ่ายเรานะ่ชื่อจริงชื่ออะไรหญิงสาวย้ยิ้มเริงร่าตอบด้วยภาวะของคนที่นึกออกและบอกถูกลานดาวนามสกุล ลีลากราติเรียนคณะอะไรศิลปรกรรมศาสตร์สาข า, าดูริยางคสินกรุกเลือดอะไรบชอบผู้ชายแบบไหนลานดาวสะดุ้งเล็กน้อยจ้องหน้าพี่สาวด้วยแววคาดไม่ถึงแต่แล้วก็หัวเราะฮือหือรับมุกทันแบบที่พี่เอิญไว้ใจและอนุญาตให้ขบได้นะคะเออผ่านแพทย์สาวให้การรับรองผู้ป่วยแล้วหันไปยิ้มละไมบอกอมริตคนนี้ละค่ะน้องสาวของเอิญ นายแพทย์หนุ่มยิ้มกว้างเอ่ยรู้แล่วว่าตัวจริงเสียงจริงต้องเชื่อพี่สาวมากกว่าแฟนสองสาวหันมามองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆมาวรนทาชวนลานดาวเหมือนอยากทดลองดูสิว่าสมองเข้าที่เข้าทางเต็มร้อยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเล่นไม่ได้จูงมือน้องมาที่เปียโ น, โนกดไหลลงนั่งแป้นแล้วสั่งให้เล่นโพอโลเนส PO โอเอลโอซึ่งหล่อนเคยเห็นลานดาวเล่นเพลงนี้ได้อย่างถึงอารมณ์ทรงพลังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลานดาวอยากทราบเช่นกันว่าความสามารถทั้งหมดกลับเข้าที่หรือยังจึงทบทวนอยู่ในใจถึงความรูราโอรานฉาบประกายใช้ลายเอี่ยมอ่องตลอดการตามแบบฉบับทุ่งทำนองแห่งโพโลเนสบทที่53อันเป็นผลงานประพันธ์สุดโด่งดังของโชแปงซึ่งเพียงห่วงแรกของการระลึกนักเปียโนโสาวก็ตาสว่าง เห็นตำแหน่งต่างๆของกลุ่มคีย์ขาวดำเบื้องล่างเชื่อมสัมพันธ์กันในบันไดเสียง A อแฟลทันทีเป็นการเห็นอย่างรู้ว่าจะต้องลงสองมือกดสี่คีย์แรกตรงไหนจากนั้นต้องไล่คู่เสียงมือขวากับโน้ตเดี่ยวมือซ้ายต่อไปอย่างไรจำได้กระทั่งอาการขยับของนิ้วมือว่าควรยืดหยุ่นหนักเบาท่าไหนเสียงจึงออกมาพลิ้วทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวก่อนเกิดเสียงจริงคลืมใหญ่ตามบันทึกความจำในสมองไล่เลียงสู่ลวดลายรัวระทึกเหมือนตีกลองศึกโหมโรงเรียกความคึกคัก แล้วกระโดดลดเต้นเร็วรี่สลับแช่มช้าตามลำดับคล้ายการเบิกอรุณฟ้าใหม่ของวันดีที่สุดในชีวิตเข้าทํานองสีสันเอือกรเริกวิ จ, จิตแห่งการเต้นรำของชาวโปโลแลนด์กลมกลืนสมในาตามนิยามแห่งชื่อเพลงนอกจากลานดาวจะเล่นได้ดีด้วยความฉลาดทางดนตรีดังเดิมแล้วยังแทรกอยู่ด้วยจุดเน้นย้ำหนักเบาเป็นพิเศษสะท้อนอารมณ์หาหรือหันแปลกใหม่เกินธรรมดาฟังทราบได้ด้วยสดแห่งผู้เข้าถึงดนตรีการด้วยกัน ถ้าเล่นจบต้องใช้เวลาเกือบ10นาทีขณะนั้นลานดาวยังไม่อยู่ในอารมณ์โชว์เดี่ยวยาวจึงเล่นเพียงครึ่งเดียวแล้วชะงักไว้เป็นอนุญาจะหายดีแล้วนะคะนักเปีย โ, โนสาวปิดฝาครอบแล้วลุกขึ้นยืนหันมาส่งยิ้มถามมาวันทาก่อนแปรสายตาไปยังอมริตเห็นเขากําลังจับจ้องหล่อ น, นิ่งก็ย้มยิ้มตอบเหมือนอย่างที่พี่แตรทํานายไว้จ้าจาได้ทั้งหมดเลยค่ะว่าช่วงความจําเสื่อมเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่จ้าคงไม่ลืมไปจนตาย อ m a r พยักหน้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าก่อนมีความเชื่อก่อนมีความรู้โลกปรากฏเป็นอย่างไรค่ะการกลับไปสู่ความไม่รู้อะไรเลยทำให้ทั้งโลกแตกต่างว่างเปล่าไปหมดยิงสาวรับด้วยซุ้มเสียงของคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอีกมิติหนึ่งมาวันทาทาหน้าที่เจ้าบ้านเชื้อเชิญให้ทุกคนนั่งโดยตนเองนั่งชิดกันกับลานดาวในโซฟาใหญ่พออยู่ในอิริยาบทสบายกันดีแล้วแพทย์หญิงก็ทักน้องนิ่ม เป็นไงทำหน้าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เชียวลานดาวยิ้มแป้นเหมือนเกิดใหม่ก่อนตายจริงมากกว่าค่ะตอนนี้บอกถูกทีเดียวละ่ะว่าคนเกิดชาติหน้าเขารู้สึกกันยังไงความจําเรายกย้อนซ้อนทับกลับไปกลับมากลายเป็นตัวใหม่ตัวเก่าตัวเราตัวอื่นเกือบทุกคืนตอนฝันอยู่แล้วนี่นะถ้าคิดอย่างนั้นก็นับว่าเมื่อกี้เป็นฝันที่ประหลาดที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะลืมตาตื่นและใช้เลือดเนื้อจริงๆในการฝานันนึกถึงตอนที่แตรบอกว่าเราชื่อจ๊ะ เราก็ต้องเชื่อว่าเราคือจ้ะเหมือนย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงเมื่อเป็นเด็กแแบเบาไม่รู้จักตัวเองพ่อแม่เรียกอย่างไรชื่อนั้นก็กลายเป็นเราทันทีไม่มีทางเชื่อเป็นอย่างอื่นไปได้ลานดาวเหลียวมองอมริตแล้วหันกลับมาหามาวันทาอย่างมีลีลาถ้าเกิดลืมตาขึ้นมาเจ้พี่แตรบอกว่าจ้าคือนางบัวถุยหรืออําแดงจูบที่ไหนก็เสร็จเลยต้องเชื่อเหมือนกันแพทสาวหัวเราะพลืดหน้าตาพี่แตรน่าเชื่อถือเห็นทีแรกก็รู้แล้วว่าไม่หลอกเธอหรอก จริงด้วยเนาะหน้าตาหน้าไว้ใจแล้วลานดาวก็หัวเราะเพราะพริง้งยิ้มปลายปลายตาทิ้งแววหวานให้อมริดหน่อยหนึ่งซึ่งในยามที่ลานดาวเป็นลานดาวก็มีอิทธิพลทางกระแสตาเรากับเดินเอามีดไปปาดหัวใจชายทุกรูปนาให้เสียวแปรเล่นได้ดื้อความจริงเกิดเรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายนักนะคะความจำหายไปเดี๋ยวเดียวแต่ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะแยะติดใจไหมล่ะจะได้ความจำเสื่อมเล่นแก้กลุ่มสักปีละครั้งมาวันทาเคะ ฮ่าฮคงไม่ละค่ะเดี๋ยวรู้สึกตัวอีกทีกําลังนั่งเอาวีโต้เฉาะดินเล่นแถวสีธัญญาคำตอบของหญิงสาวทําให้สองหมอหัวเราะพร้อมกันลานดาวยิ้มรื่นและเกาะแขนประจบพี่สาวถ้านี่คือการจําลองชีวิตหลังความตายก็แปลว่าจ้ายังกินบุญเก่าไม่หมดนะคะยังมีคนพร้อมยื่นมืออุปถัมม์อยู่มาวันทาส่งค้อนให้หน่อยหนึ่งใครจะอุปถัมม์เธอแค่พูดปลอบพอเป็นพิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าหรอกอย่ากแกล้งไก่เสียให้ยาก รู้หมดแล้วว่าตัวเองรักเขาขนาดไหนมาวันทาเกือบเผอคอนอีกทีแต่พอนึกได้ว่าอยู่ต่อหน้าสายตาที่สามก็ยืดตัวตรงถามนายแพทย์อมริศเป็นงานเป็นการจะมีผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรระวังไหมคะพิตรแตรอมริ์สันสีสะพี่คิดว่าเคสของจ๊ะไม่น่าเป็นห่วงเลยนะเอิญคือเข้าข่ายสับสวิตอออเท่านั้นไม่ใช่การทาลายหน่วยความจาหรือมีการฝังภาพหลอนแปลกปลอมไว การที่จะฟื้นความจําด้วยมือของเอินเองช่วยสลายสภาพเลอะเทอะเกลืกลางของปัญหาเก่าๆออกจากความรู้สึกด้วยซ้ําเหมือนการทําความสะอาดทางจิตใจครั้งใหญ่นะ่ะมาวันทา ย, ยิ้มอย่างหายห่วงสนิทหันมาพูดกับน้องสาวพี่แปลกใจจังทําไมเธอจําไม่ได้สักนิดทั้งหน้าพี่ทั้งห้องนี้ทั้งเปีย โ, โนที่เธอคุ้นมาแต่อ้อนแต่ออกลานดาวระลึกถึงสภาพจิตใจที่ว่างห่วงเมื่อครูแล้วอธิบายด้วยความกระตือรือร้อนเกือบทันที ถ้าเป็นตอนนี้จ้าจําได้ว่าตัวเองเป็นใครเวลามองอะไรจะมองสิ่งนั้นๆแบบเชื่อมโยงว่าเกี่ยวกับจ้ายังไงไม่ใส่ใจรายละเอียดของสิ่งต่างๆมากนักแต่ตอนจ้าลืมว่าตัวเองคือใครการเชื่อมโยงทุกชนิดก็ขาดสะบั้นหมดพอมองอะไรจะเห็นชัดเจาะละเอียดว่าวัตถุนั้นมีเหลี่ยมมุมรูปทรงสีสันแบบไหนวัตถุทุกชิ้นเหมือนมีเสียงประกาศตัวเองตรงๆว่าไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่ต้องการทําหน้าที่อะไรทั้งสิ้น สรุปคือวิธีมองต่างกันทั้งโลกเลยเหมือนเต็มไปด้วยของใหม่ที่จะไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่แสงและอากาศก็ถูกสังเกตว่าทำไมจึงมีลักษณะอย่างนั้นอมริตมองลานดาวด้วยความทึ่งเพราะนึกไม่ถึงว่ารูปร่างหน้าตากระเดียดไปทางวัตถุนิยมอย่างหลอนจะสามารถบรรยายโลกทัดภายในอันสื่อสารยากให้ฟังเข้าใจง่ายได้ขนาดนี้นี่คงเป็นของแถมจากประสบการณ์ความจาเสื่อมสัมผัสของคนไม่มีอะไรในใจ อาจละเอียดละออนเสียจนดูกลายเป็นความสามารถพิเศษเมื่อเล่าให้คนอื่นฟังถูกของน้องจ่าแล้วละ่ะถ้าเราลืมเรื่องเกี่ยวกับตัวเองหมดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองลงเมื่อไหร่เมื่อนั้นทั้งโลกก็ปลัดจากความหมายไปหมดเหลือแต่อุปกรณ์ภายนอกคือหูตาจมูกปากที่เอาไว้รับข้อมูลใหม่เท่านั้นข้อมูลเก่าถูกซ่อนไม่อาจนํามาเชื่อมโยงกันได้กับปัจจุบันลานดาวหันมามองอมฤตจะรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในสัตว์ประหลาดมีส่วนหัวโดเดมีคอเป็นตัวหยัดตั้ง แล้วก็มีแขนขาเคลื่อนไหวได้จำไม่ได้เลยว่าหน้าตาเราเวลามองจากภายนอกเป็นอย่างไรมาวันทายิ้มมุมปากงั้นสำหรับงานนี้อุปกรณ์สร้างอัตตาชิ้นแรกคงได้แก่กระจกเงาเห็นส่องใหญ่เลยคงอย่างนั้นมั้งคะตอนเห็นเงาในกระจกสิ่งแรกที่รู้สึกคือความก้ากึงระหว่างใช่กับไม่ใช่อธิบายยากเหมือนคุณว่าเขาหน้านี้แหละคือเราแต่อีกใจก็ร้องว่าเออ หนะ้าตาเราเป็นอย่างนี้ใครปั้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่าต้องใช่แบบนี้สงสัยเพราะจิตยังปวกเปียกนุ่มนิ่มไม่รับกับใบหน้าอยู่มั้งลานดาวหัวร้อฮืๆก็น่าแปลกนะคะพอความจําเสื่อมความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของจ้าก็กลายเป็นคนละคนเลยอย่างนี้แปลว่านิสัยที่แท้จริงชนิดฝั่งรากของจ้าคือต้องนุ่มนุมนิ่มๆหรือเปล่าคะพี่แตรประโยคหลังหันไปขอความเห็นจากนายแพทย์อมริตอย่างจะชวนเขาคุยบ้าง แค่นีวัดอะไรไม่ได้หรอกจ้ะเงื่อนปมบุคลิกนี้สัยซับซ้อนยิ่งกว่าโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์หมืน่นบรรทัดเสียอีกคนเรามีหลายบุคลิกอยู่แล้วแต่ละบุคลิกจะปรากฏเพื่อตอบสนองผู้คนและสถานการณ์แบบต่างๆโดยที่เราไม่ต้องจงใจหรือเสแสร้งสร้างขึ้นมาวันทาเสริมตอนคนเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรติดตัวแรกๆก็มักสงบสงี่ย์เจียมตนเหมือนกันหมดมั้งพอมีดีตั้งหลักได้ความสงี่ยถึงจะเริ่มหดหาย กลายเป็นออกลายตามถนัดแทนแต่พี่ก็ชอบจ้าในแบบงิมหงิมดูซื่อแล้วก็ไร้พิษสงเหมือนกันนะแม้ปกติจ้าก็ออกจะไร้เดียงสานีิคะลานดาวทําเสียงอ้อนมาวันทาฟังแล้วนึกหมันไส้แต่ไม่อยากวิจารณในเวลานั้นด้วยเกรงน้องสาวเจราคาตกในสายตาอมริศจึงหันไปเปลยกับเขาแทนเอิญชักสนใจเรื่องความจําเสื่อมแล้วสิคะพี่ตแตรทางจิตเวชมีวิจัยเรื่องความสอดคล้องระหว่างโรคความจําเสื่อมกับการลืมอดีตชาติบ้างหรือเปล่า พวกจิตแพทย์ในห้องวิจัยก็เพ่งประเด็นนี้กันเยอะเหมือนกันนะชนิดที่เอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทคน้นคว้าหาหลักฐานสนับสนุนเป็น 10, 10ปีก็มีจุดมุ่งหมายคือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลไกที่ทำให้เราลืมดูว่ามันเริ่มจากตรงไหนหรือสมองส่วนใดเป็นตัวการเหรอคะแล้วสถิติหรือการวิจัยบอกอะไรชัดเจนบ้างหรือยังมาวันทาเริ่มจริงจังมากขึ้นเมื่อเผอญยิงคาถามเข้าเป้าอมาลเอ็นหลังพิงพนักตอบ อย่างที่เอินคงรู้การเวียนว่ายตายเกิดและการระลึกชาติถือเป็นเรื่องเหนือธรรมดาการวิจัยประเภทนี้จึงเข้าข่ายพาราไซโคโลยี ology, หรือปรจิตวิทยาซึ่งแม้จะมีการร่ําเรียนและค้นคว้าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เอาเข้าจริงก็ยังไม่มีการยอมรับเป็นสากลเพราะพอนักวิทยาศาสตร์ได้ยินอะไรเข้าข่ายปรจิตวิทยาส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องเอาไวถ้ถกเถียงแสดงความเห็นหรือแสดงหลักฐานข้อมูลกึ่งคมลอยมากกว่าอย่างอื่นลานดาวทําหน้าฉงน ถ้าค้นคว้าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่ยอมรับแถมหาว่าเป็นเรื่องกึ่งโคลย์ล่ะคะเพราะหลักฐานมักไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมอย่างชัดเจนด้วยวิธีการทดลองตายตัวยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือคนตายไปแล้วกลับมาเข้าฝันญาติสำหรับตัวญาติเองย่อมเชื่อมั่นไม่สงสัยแค่ฝันชัดเหมือนจริงหน่อยก็พร้อมจะยอมลงให้ปักใจเชื่อมั่นเต็มร้อยแล้วและแม้ทั่วโลกจะมีการตายแล้วกลับมาเข้าฝันมากมาย แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ตามสถาบันวิจัยนั้นไม่ใช่หลักฐานอะไรเลยหลักฐานไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ต้องเป็นทุกครั้งพูดง่ายๆคือถ้าคนตายแล้วกลับมาหาญาติกันหมดร้อยทั้งร้อยรอผลได้ภายใน3วัน7วันนั่นแหละถึงจะใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องมีเสียงโต้แยง้งอย่างเช่นทําไมฉันกับญาติรักกันแทบตายไม่เห็นมาหาบ้างเลยสักคืนลานดาวพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ยังตั้งแง่สงสัย ทุกวันนี้เทคโนโลยีตรวจจับการทำงานของสมองก็ออกก้าวหน้านี่คะ่ะถ้าตั้งจุดดักสังเกตในสมองถูกก็น่าจะบอกผลยังได้อย่างหนึ่งได้คงที่ไม่ใช่หรือปัญหาอยู่ตรงนี้แหละจ้ะตรงไหนล่ะที่ต้องดักสังเกตทุกวันนี้เรารู้เรื่องการทำงานของสมองผ่านระบบไฟฟ้าเท่านั้นเหมือนเห็นแค่เงาคนบนพื้นแต่ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของเขาเลย การดักสังเกตเพียงเงาไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนเวลาใดก็ไม่มีวันจินตนาการรูปร่างหน้าตาเจ้าตัวได้ถูกว่าเป็นอย่างไรแน่แปลว่าเราไม่สามารถพิสูจน์เรื่องจิตวิญญาณภพภูมิกับการเวียนว่ายตายเกิดด้วยวิทยาศาสตร์ที่บังคับให้เราต้องใจแคบอย่างนั้นหรือคะปริจิตวิทยาพยายามเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใจกว้างขึ้นอยู่แล้วละจ๊ะวิธีไหนเปิดเผยเรื่องลี้ลับเหนือธรรมดาได้ก็ยอมรับหมดอย่างสมัยโบราณมีอยู่วิชาหนึ่งที่สาบสูญไปแล้วคือวิชาเคอร์กโลก บอกได้ว่าวิญญาณคนตายไปเกิดใหม่ที่ไหนก็มีคนสนใจวิเคราะห์กระดูกคนตายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามีเนื้อหาแตกต่างกันอย่างไรสัมพันธ์กับนิสัยใจคอชนิดที่สามารถแบ่งชัน้นวรนนะทางวิญญาณได้ไหมผลล่ะคะมันก็มีร่องรอยความจริงปรากฏอยู่ตรงนั้นมีคุณภาพบางอย่างของกระดูกคนตายที่แตกต่างกันแต่นั่นไม่ได้บอกหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครสามารถผลิตเครื่องฉายภาพภพภูมิโดยมีกระดูกเป็นต้นแหล่งการพยายามใช้หลักฐานที่บอกอะไรได้เพียงคลุมเครืออย่างนี้ นอกจากล้มเหลวทางความน่าเชื่อถือแล้วยังทําให้ปริจิตวิทยาถูกโจมตีว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมทางปัญญาแบบวิทยาศาสตร์ถอยหลังกลับไปสู่ยุค ข, ของความงมงายบูชาพูดผีก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจสําหรับคนไม่อยากเชื่อมาวันทาพยักหน้าแย่จังหลายๆคนที่บูชาวิทยาศาสตร์เหมือนศาสนาศักดิ์สิทธิ์ก็พร้อมจะยืนกลานความไม่เชื่อของตัวเองอยู่แล้วต่อให้โดนบีบคอจนหน้าเขียวลิ้นจุกปากก็ตามถ้าวิธีพิสูจน์เต็มไปด้วยจุดอ่อนทางรูปธ ร, รรมอย่างนี้ คงยิ่งถูกโจมตีง่ายเข้าเขาก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาด้วยหละเอิญทางประจิตวิทยานั้นตั้งตนขึ้นมาก็จำเป็นต้องโจมตีวิทยาศาสตร์กันถึงรากถึงโคนว่าเป็นอะไรที่ขับแคบจํากัดจําเขีย่ยหรือกระทั่งระบุ ต, ตรงๆเลยว่ามองผิดเหลี่ยมผิดมุมเช่นอะไรคะที่บอกว่าวิทยาศาสตร์มองผิดลานดาวถามอย่างเรื่องสมองนี่แหละนักวิทยาศาสตร์จะมองว่าที่เรารับรู้โลก หรือจดจําอะไรต่ออะไรทั้งหลายได้ก็ล้วนเป็นการทํางานของสมองอย่างเดียวแม้ประสบการณ์ใกล้ตายที่เอามาจดจรกันทั่วโลกว่าเห็นแสงเห็นอุโมง<ๆ>เห็นญาติมายิ้มรับก็สามารถอธิบายได้ว่าเหล่านั้นเป็นปรากฏการภายในขอบเขตสมองได้เกือบทั้งสิน้นแต่ทางประจิตวิทยาจะพยายามจี้ลงมาเฉพาะจุดว่าแม้แต่ขณะลืมตาตื่นกันอย่างนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆพิสูจน์ได้ว่าสมองก้อนเดียวเป็นบ่อกเกิดความรู้สึกนึกคิด คุณง่ายๆว่าถ้าเราเรียนแบบสร้างเซลล์นับแสนล้านหน่วยขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนสมองเปียบก็ไม่อาจประกันว่าจะมีความรู้สึกตัวแบบที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่นี้ได้ลานดาวพยักหน้าอย่างเริ่มเข้าใจถ้าเชื่อว่าสมองเป็นตัวการใหญ่หรือกระทั่งเป็นทั้งหมดของชีวิตก็แปลว่าสมองตายชีวิตก็ศูนย์อมาริ์พงกศรีสะใช่แล้วนักประจิตวิทยามีทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับจิตวิญ ญ, ญาณบ้างหรือเปล่าคะ ก็มีสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีการถ่ายทอดนะเขาจะชี้ว่าสมองเป็นเพียงก้อนรูปธรรมทำนองเดียวกับก้อนหินแต่เป็นก้อนหินที่ถูกธรรมชาติออกแบบไว้ให้รับสัญญาณถ่ายทอดคำสั่งจากจิตวิญญาณได้ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าจิตใจและสมองแตกต่างเป็นต่างหากจากกันเพียงแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นข้อมูลที่ผ่านทางกายสัมผัสจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยสมองและถูกถ่ายทอดไปยังจิตใจโดยในเดียวกันจิตใจอาจจุดชนวนการกระทำใดๆได้ไดได โดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางสมองขึ้นลานดาวฟังนิ่งสมเหตุสมผลดีนะคะฟังดูดีตอนอยู่ในกระดาษเอกสารเท่านั้นแหละจ้าปัญหาคือทํายังไงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตวิญ ญ, ญาณที่แยกเป็นต่างหากจากสมองนั้นมีอยู่จริงยังไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าสมองรับคําสั่งมาจากจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ใช่อะไรที่เราสามารถเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องดูดาวที่เรามองไม่เห็น ไม่ใช่เพราะมันเล็กแบบเชื้อโรคหรืออยู่ไกลแบบแกาแล็กซี่อื่นจนเกินตาเปล่าจะรับรู้แต่เพราะจิตใจเป็นทั้งหมดที่เรากําลังสํานึกรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีขนาดแล้วก็อยู่ใกล้เสียจนหมดวิธีมองด้วยทางอ้อมใดๆมาวันทาแทรกขึ้นจริงนะคะจิตเป็นต้นกําเนิดของการรู้เห็นทั้งหลายเราจะรู้จิตเองด้วยสิ่งอื่นนอกจิตได้อย่างไรเอิร์นเคยสงสัยตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์อย่างภาวะใกล้ตายของผู้ป่วยในห้องไอซียูต้องดมยาสลบเพื่อรับการผ่าตัด คนเหล่านี้อยู่ในภาวะหมดสติหมดสํานึกรับรู้แน่นอนร้อเอร์เซนตซึ่งแปลว่าสมองน่าจะไม่อยู่ในสภาพทํางานอะไรได้แต่จากบันทึกที่ผ่านมานับไม่ท้วนก็แสดงว่าคนป่วยยังสามารถเห็นเหตุการณ์ได้อยู่แถมตรงกับความจริงเสียด้วยเช่นบอกถูกว่ามีหมอกับผู้ช่วยอยู่ในห้องกี่คนซึ่งตามหลักแล้วถ้าเชื่อว่าเป็นการทํางานของสมองอย่างเดียวก็ไม่ควรเห็นหรือกระทั่งจดจําอะไรได้แม้ความฝันอย่างนี้น่าจะเป็นหลักฐานการมีอยู่ของจิตที่ชัดเจนนี่นา อมริทหัวเราะตอบสบายๆมันอย่างนี้นะเอินสมมุติว่าใครสักคนไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาววันหนึ่งถ้ามนุษย์ต่างดาวร่อนจานบินลงมาจอดเมื่อไหร่ข้อถูกเถียงก็เป็นอัญมติแต่ถ้าใครไม่เชื่อว่ามีจิตวิญญาณเราจะทําอย่างไรได้ในเมื่อจิตวิญญาณกําลังปรากฏอยู่กับตัวเขาเองทุกวินาทีอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเชื่อพออมริจูงมาถึงภาวะที่กําลังเป็นจิตปัจจุบันได้มาวันทาก็คลายสีหน้าแต่ลานดาวยังข้องใจ คนเราจะเถียงชนะความจริงได้ยังไงคะอย่างกรณีที่พี่เอิญว่าสลบไปแล้วสมองหยุดทํางานแล้วแต่ยังรู้เห็นหรือฝันอะไรได้อยู่ตื่นมายังจําได้อีกนักวิทยาศาสตร์จะอธิบายอย่างไรวิธีที่ดีของนักวิทยาศาสตร์เมื่ออธิบายอะไรไม่ได้ก็จะบัญญัติศัพ์แปลกๆขึ้นมาล็อกความไม่เชื่อของตัวเองไว้เช่นกรณีนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความไม่รู้สึกตัวหรือ Paradox of unconsciousness para, d o x of, un, con, s c i o u s ness หรือ e ดีกว่านั้นหน่อยก็ตั้งสมมุติฐานกันว่าสมองมนุษย์ยังคงความสามารถในการจำการระลึกและการสร้างจินตภาพต่างๆได้แม้จะอยู่ในภาวะที่หมดสติอย่างสิ้นเชิงพูดง่ายๆเมื่อวงจรของความจำถูกปิดลงขณะหมดสติจะยังคงมีกลไกบางอย่างที่ปั่นสมองให้ทางานต่อไปเพียงแต่ยุคเรายังไม่อาจระบุว่า กลไกนั้นคือสิ่งใดเออพี่แตรคะเท่าที่เอินเคยแว่แววมาเห็นมีเรียนปรัจิตวิทยากันระดับปริญญาเอกแล้วน่าแปลกที่วงการวิทย า, าศาสตร์สากลยังให้ความเชื่อถือปรัจิตวิทยาน้อยอยู่อันนั้นเป็นการทําด็อกเตอร์ทางจิตวิทยาของบางมหาวิทยาลัยเช่นเอดินเบิร์กเขาให้โอกาสเน้นประเด็นเกี่ยวกับปรัจิตวิทยาเอินจะไม่เห็นใครบอกว่าจบด็อกเตอร์ทางปรัจิตวิทยาเลยถ้าจะมีเครดิต ด, ด็อกเตอร์ทางปรัชจิตวิทยาจริงๆ ก็คงเป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียซึ่งไม่ใช่แบบที่น่าเชื่อถือระดับโลกแถมเพิ่งอยู่ในยุคบุกเบิกด้วยพอจบมาด็อกเตอร์ด้วยกันคงมองด้วยสายตาแปลกๆมากกว่าจะให้การยอมรับน่าเสียดายคิดในแง่ความมั่นใจเพื่อการเตรียมตัวเดินทางข้ามภพข้ามชาติอย่างถูกต้องซึ่งมนุษย์มีส่วนได้ส่วนเสียกันทั้งโลกก็ไม่น่ามองข้ามความสาคัญด้านนี้เลยหากตั้งใจพิสูจน์จริงจังคนมีผลงานชัดเจนที่สุด ประเภทสามารถฉายภาพออกมาให้ดูด้วยตาเปล่าเต็มๆว่าตายแล้วไปไหนเงาของนักวิจัยคนนั้นคงทอดยาวไปให้ลูกหลานรู้จักอีกนับพันปีทีเดียวอย่างที่บอกนะเอิญรวมๆแล้วมนุษย์คงบุญน้อยเกินไปธรรมชาติไม่ค่อยเต็มใจให้พิสูจน์กันง่ายนักวันไหนเกิดฮีโร่สามารถเชื่อมโยงกลไกลความจาเสื่อมชั่วคราวกับความจาเสื่อมแบบข้ามภพชาติ จนเข้าใจท่องแท้และสามารถทำลายกำแพงความลืมอดีตชาติให้ทุกคนในโลกได้ล่ะก็ปรัชญ า, าศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็จะลงมาบรรจบพบกันยุติข้อขัดแย้งทั้งหมดแล้วเข้าสู่ยุคภูมิปัญญาสมบูรณ์ที่มีจิ๊กซอทุกชิ้นมาประกอบครบลานดาวได้ยินแล้วชักเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นฮีโร่ขึ้นมาบ้างเพราะตนเองเพิ่งผ่านประสบการณ์ตรงทางโรคความจำเสื่อมมาหมาดๆเสียดายจังค่ะจะน่าจะเลือกเรียนหมอมั่งโลกของนักวิจัยทางปรจิตวิทยา ถ้าทางท้าทายไม่สำแบบใครดีว่าแต่วิจัยไปวิจัยมามีใครพลาดท่าเป็นจิตแพทย์บ้างหรือเปล่าคะอมาลิศหัวเราะไม่ค่อยมีมัง้งเท่าที่เห็นเห็นพวกสนใจงานวิจัยทางประจิตมักเก่งรู้รอบแถมหนึ่งในร้อยอาจมีอำนาจจิตเหนือสามัญติดตัวแบบอ่อนๆ อ, อ, อยู่ก่อนพวกจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่ต้องคลุกกับคนไข้จิตเภทเสียอีกมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่านักวิจัยประจิตตั้งเยอะเพราะเจอคลื่นจิตผิดปกติปะทะบ่อยจนถูกกลืน ถ้าจบปริญญาทางปรัจิตวิทยาแล้วเขาไปทํางานอะไรกันคะจะให้ตั้งสํานักหมอผีคนทรงเจ้าแข่งกับพวกที่เขามีจุดขายชัดเจนอยู่แล้วก็คงสู้ไม่ได้อยู่ดีนี้นักศึกษาทางปรัจิตวิทยาส่วนใหญ่จะเป็นเสือกระดาษเอาแต่คิดคิดเขียนเขียนมากกว่าจะเป็นนักพลังจิตผู้มีความสามารถอย่างรู้เหนือธรรมดาด้วยตนเองส่วนใหญ่เชื่อตามตามกันว่าพอเรียนจบน่าจะได้งานตามแลบเช่นในมหาวิทยาลัยดุก๊กซึ่งมีสถาบันวิจัยด้านนี้อย่างเปิดเผย แต่ความจริงก็คือทั้งโลกมีการจ้างงานวิจัยด้านนี้แบบเต็มเวลาไม่กี่10คนแล้วในจํานวนที่น้อยอยู่แล้วนั้นก็เสี่ยงกับการตกงานกระทนหันเสียด้วยถ้าสักวันคนทั้งโลกต้องการรู้เรื่องหลังความตายจริงจังพร้อมกันโอกาสสําหรับนักประจิตก็คงเพิ่มขึ้นนะคะว่าแต่พี่แตร่รู้เรื่องปรจิตมากขนาดนี้สงสัยเคยผ่านคอร์สที่ไหนมาก่อนแน่เลยใช่ไหมอมริดพยักหน้ารับพี่เคยเรียนซัมเมอร์คอร์สแต่สัปดาห์ที่สถาบันของดุ๊ก นั่นไงว่าแล้วเชียวถ้ามีแบบพี่แตรเยอะๆก็ดีเลยคนไทยเราส่วนใหญ่จะสุดตรงสองขั้วฝั่งหนึ่งงมงายเชื่อตามกันทันทีอีกฝั่งก็ด่าเอาดื้อๆว่าเชื่อเลวงโง่ไม่เฉพาะคนไทยหรอกจ้าเป็นกันทั้งโลกนั่นแหละพี่เห็นประเทศไหนก็เหมือนกันหมดมนุษย์เราสมัครใจติดหลงวนเวียนอยู่เฉพาะกับปากท้องและความบันเทิงไปวันๆอะไรผลจากนั้นก็แค่เลือกง่ายๆระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อ โดยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลสนับสนุนอย่างแข็งแรงว่าเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะอะไรต่อให้นักศึกษาปราจิตก็เถอะหลายคนก็ไม่มีโครงสร้างความคิดแบบวิทยาศาสตร์เอาเลยเอินแปลกใจจังค่ะฟังพี่ตรายพูดตั้งแต่อยู่ในรถเหมือนมีความรู้และความเชื่อที่ใกล้ชิดหรือกระทั่งอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมวิบากภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดแต่ทําไมพี่ตรายถึงเลือกที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีาศาสนาอมริชงักเล็กๆ และนี่เป็นครั้งที่สองที่มาวันทาเห็นกิริยาช ง, งักแบบลังเลคล้ายมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งค้างคาอยู่จากที่เปิดใจศึกษ า, าศาสตร์และละทัทธิต่างๆมามากพี่เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เสียก่อนจะเชื่อเรื่องเหล่านี้เพราะของพันนี้สืบทอดกันมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่าศาสดาองค์แรกที่สอนแม้แต่ชนเผ่าลึกลับตามป่าเขาตามทะเลทรายก็รู้เรื่องจิตวิญญาณพี่อยากจะนิยามตัวเองว่าเป็นคนไม่มีาศาสนา เพราะเห็นมาถึงจุดร่วมที่สอดคล้องกันมากมายจนให้ความเคารพนับถือและยกย่องได้ทุกศาสนามาวันทาเอียงคอเล็กน้อยกำลังจะชวนเสวนาให้ลึกลงไปแต่ขณะนั้นเองเสียงเรียกจากโทรศัพท์มือถือของหล่อนก็ดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนต้องเดินไปหยิบเพราะวางไว้ไกลตัวสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่มาถึงการพักใหญ่แล้วค่ะค่ะจะมาตัวเปล่านะคะไม่ไดเอามือถือติดตัวมาสักครู่นะคะ แพทสาวโล่งอกและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากที่มารดาของลานดาวติดต่อมาเมื่อสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการแล้วหลอนเดินกลับมายื่นโทรศัพท์ส่งถึงมือลานดาวจ้าค่ะแม่แมอารมณ์จะเหนื่อยลงที่ต้องกลับเป็นเด็กถูกผู้ปกครองตามตัวหญิงสาวก็พยายามเปล่งเสียงให้มีประกายสดใส <c oughs> เพื่อชดเชยกับพฤติกรรมร้ายกาจหน้าหนัก อ, กอกที่ผ่านมาทั้งหมดก็มาพักบิดขี้เกียจที่บ้านพี่เอิร์นบ้างสิคะแมอ่อแม่คะมีข่าวดีด้วยล่ะ เยจ้าจะมีรถคันใหม่ใช้หนึ่งคันนาไม่เดือดร้อนแม่เท่าไหรหรอกอย่าเดาเลยจ้ากลับเดี๋ยวนี้แหละค่ะเท่านี้นะคะลานดาวกดปุ่มวางสายแล้วทำหน้าเมื่อยสเสด็จแม่เรียกตัวกลับแล้วละ่ะมาวันทายิ้มเอาสิเดี๋ยวพี่ไปส่งกำลังฟังพี่แตรคุยสนุกสนุกเลยหญิงสาวหยอดเสียงละห้อยนิดนิดซึ่งก็ได้ผลอมาลิดเอ่ยเสียงนุ่มเกือบทันทีวันหลังอยากรู้อะไรพี่ค่อยช่วยตอบให้อีกทีก็ได้จริงเหรอคะ ใจดีจังงันจ้าขอเบอร์พี่ตราไว้หน่อยแล้วกันเพื่อหน่วยความจำของจ้าบกพล่องขึ้นมาอีกจะได้ขอคำปรึกษาด้วยได้นีน่นำบัตรพี่พี่ขอเบอร์จ้ากับเอิญไว้ด้วยนะ